ตามตำตามตำร า, า, านั้นมีผิดกันอยู่นั่งคือเทศตามตำร า, าเราคอยฟังคอยจดจําส่วนมา ก, กท่านเทศเรื่องรางนั้นเครื่องรางนิพายจนศรัท ธ, ธานี่อธิบายศรัท ธ, ธาแล้วไปจนเป็นสายยาเวเหยียบเห็วิทยาความเพียนเพียนยังไบ ง, งบังบ่งหรือบาสไปจนกินหนึ่งขันยังหนึ่งนี่จบ เรื่องจะได้กันนึงี่จิตก็ต้องติดตามปาไปอยู่เนี่ยมีก็ตัวอย่างเช่นศรัทธาวรยะเป็นต้นมันก็เป็นกันนะที่นี่จิตมันก็ไม่ควอยจะได้ปรากฏผลในขณะที่ฟังอะไรนะ ในข้างพุธการท่านแสดงธรรมท่านฝังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือนําไปข้อนำไปเป็นข้อคิดเพื่อเพื่อปฏิบัติในส่วนที่คิดปฏิบัติในวารต่อไปด้วยที่ท่านแสดงปรากฏผลประจักษ์ก็เข้ากับหลักธรรมที่ท่าน ว่าการแสดงทำได้รับอ น, นิสง์ห้าอย่างคือได้รับผลห้าประการด้วยกันคือผู้ผู้ฟังธรรมฟังธรรมย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนึ่เป็นข้อข้อที่สองสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัด ข้อสามจะบรรเทาความสงสัยใช่ได้คือเราเคยท่องใจในเรื่องอะไรใบนี้เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวเงื่องกับสิ่งนั้นๆที่เรากําลังท่องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อสี่จะทําความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นตามธรรมดามันเฟร์ปีงเปี่ยวก็หลักธรรมอยู่เสมอแล้วก็จะทําความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้อื ในสีข้อนี้ก็เป็นแขนงของข้อที่ห้าซึ่งเป็นข้อสำคัญห้าจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นหลักสำคัญมากเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรมคือจิตที่จะผ่องใสได้จิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์มธรรม ท, รมที่ท่านกำลังแสดงเข้าไปสัมผัส ภายในจิตใจของของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะเฉพาะเฉพาะพในขณะนั้นจิตทําหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความปรองใสขึ้นภายในตัวเองจิตที่ไม่สงบก็หาความปรองใสไม่ได้ยิ่งจิตวุ่นวายมากมายเท่าไรก็ยิ่ง เป็นการสั่งสมความเช้าหมองความเดือดร้อนรุ่มบายให้แก่ตนมากมายขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่เกี่ยวกับให้ได้รับผลประโยชน์นั้นควรตั้งใจคือความรู้สึกของเราไว้เฉพาะตนนี้เท่านั้นเราไม่ต้องส่งกิจออกไปภายนอกแม้ส่งมาหาผู้เทศคือ สร้างความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใดก็ต่างไม่สําคัญสําคัญที่อยู่ในตัวบวกของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวน่เชื่อตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อร so, ับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งจิตไว้เช่นนั้นไม่ไปคาดไปหมาย ไม่ ป, ปรุงไปแต่งเรื่องอะไรหรือท่านจะเทศเรื่องอะไรดังนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเราการรับเอาโดยเฉพาะเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องปฏิความหมายอะไรมากมายกายกองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟัง นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่ฟังเทศในครั้งพุทธ ก, กาลส่วนมากท่านได้รับอย่างนี้เพราะผู้เทศก็เทศตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกคนท่านจะเทศเรื่องราวอนไ์ก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกันกบตัวของเราเพราะเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในคือตัวของเรานี้มันเป็นเรื่องคล้ายคลึงกัน พูดทางงน้นก็ถูกกับตัวของเราทางนี้พูดเรื่องอะไรก็ถูกกับเราแม้จะพูดเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรก็ตามจะเกี่ยวโยงเข้ามาถึงตัวของเราซึ่งเปน็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสัตยธรรมจึงมีอยู่ทั่วโลกคําว่าสัตยธรรมก็คือทุกข์สมุ ท, ทยัยเรื่องของกิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ผิดขึ้นมามรรคคือการประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ดีที่ชอบด้วยกาวาใจใจ นิโรธคือการระงับดับความกวลกวและทุกข์ทั้งหลายเสียได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนี้ในสี่อย่างนี้มีอยู่กับทุกคนเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมูรไทยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกได้ ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจําตนเลยนี่แม้จะเป็นบนุษย์เหมือนกันก็าตามความได้เปรียบเทียเียบจะผิดกันอยู่มากมายกลายกองความได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีจะมีธรรมเป็นเครื่องยึด เพราะใจก็ต้องมีที่พึงร่างกายก็ต้องมีที่พึงถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้แจากสิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่อง น, นุ่งหม่มเหล่านี้เป็นต้นเป็นที่อาศัยของใจชวนทำคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็น นามธรรมานี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรมธรรมเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้ง ท, งทงางกายมีทั้งทางปิตใจมีผู้สรุปความนองแล้วผู้ที่มีาศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจ ที่ว่าเป็นผู้ได้เปียบกับผู้ไม่มีศาสนาใช่เลยเพราะผู้ไม่มีศาสนาเช่ใช่เลยนั้นก็ถ้าจะแน่ใจไปในทางที่ว่าความสาคัญทางจิตใจไม่มีนามธรรมที่จะเป็นสาระสาคัญเพื่อจิตใจไม่มีมีตั้งแต่ด้านวัตถุที่เป็นที่ยึดของ กายและทั้งของใจด้วยใจจึงมีความสนใจไปกับด้านวัตถุโดยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้วัตถุภาเจริญก็จิตใจก็เข้าใจว่าเจริญวัตถุภาเสื่อมจิตใจก็เสื่อมโลกจะเจริญก็หมายถึงวัตถุมีความเจริญขึ้นเช่นตุรามบ้านช่อง โรคเสื่อมก็คือสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปการทํามาหากล้าชีพมันสะดวกสบายก็ก็เรียกว่าโลกมันเสื่อมไปส่วนจิตใจไม่ได้คํานึงว่าเสื่อมหรือเจริญอย่างไรเมื่อจิตใจไม่มีศาสนาแล้วต้องเสื่อมอยู่วันยั่งคําแต่ผู้ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องวัดจึงไม่ทราบว่าจิตใจเสื่อมหรือเจริญอย่างไรเพราะจิตใจยิ่งตามน่านวัตถุเสื่อมหมดไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าโลกนั่นมีอยู่สองโลกโลกภายในโลกภายนอก ด้านวัตถุและนามมาทำคือจิตใจไม่มีทางทราบได้ทราบได้แต่ด้านวัตถุอย่างเดียวจึงถือเอาเรื่องของโลกคือด้านวัตถุนั้นเป็นความเจริญของทั้งทางร่างกายความบปนอยูและทางจิตใจใจจึงไปยืดไปถือกับสิ่งนั้นจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่พึ่งของใจมีด้านวัตถุเท่านั้นแล้วก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะเอาด้านวัตถุเป็นสาระด้านวัตถุเป็นที่พึ่งของใจ เมื่อถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาเจ็บใายได้ป่วยขึ้นร่างกายของเราชุกโฉมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมากเพราะใจของเราอยู่กับร่างกายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเราทั้งหมดไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเช่นนี้จึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าคนที่มีธรรมภายนใจคนนี้ที่มีาศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุ จใจไปอยู่กับโลกโลกพาจเจริญก็จเจริญโลกภาเสื่อมก็เสือ่อมคือวัตถุภาจเจริญก็จเจริญสังคมพาจเจริญก็ว่าจเจริญสังคมจะเดือดร้อนเพียงไรก็ตามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกจเจริญทั้งๆที่เดือดร้อนอยู่ด้วยสังคมที่โลกนิยมนั่นแหละเพราะความนิยมกันนี้มันนิยมได้ทุกแง่ทุกมุมอะไรอก็ตามนิยมกันได้หมดขอแต่ความชอบใจมีในอันใด อันนั้นจะดีไม่ดีไม่คำหนึ่งถือเป็นความชอ บ, ชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องวามวัตถุเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาดแหลมคมขนาดใดก็ตามจะเป็นผู้มีฐานนะดีเพียงไรก็ตามหรือยากจนเพียงไรก็ตาม จะ ต, ต้องหาหลักยึดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนอกจากวัตถุผู้ที่มีวัตถุมากมายเป็นหลักยึดนั้นก็ยึดในทางที่ผิดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราเสียหมดร่างกายก็เป็นเราอะไรเป็นของเราเสียหมดส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นเพราะไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจให้จึง จเจริญก็จเจริญแบบลอยๆดแบบตามความต้องกานมันหมายไปเฉยๆแต่เวลาความเสื่อมนันเสื่อมจริงๆเสื่อมภานจิตใจเกิดความดร้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอดหาหลักยอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัถตถุจริงของเงินทองก็เลยกลายวุ่นไปตามๆ ก, กันกับใจที่วุ่นดวงนั้นนี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้ เทเราแยกออกมาถึงคนที่นับถือศาสนาจะพ่ออย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีจิดภกพนาเป็นต้นดัดแปางกันอยู่มากมายกลากองกับผู้ถือศาสนาทั่วไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลยเพราะเหตุใดเพราะศาสนาท่านสอนหลายชั้นหลายภูมิท่านใดควรที่จะ ป, ปฏิบัติภูมิใดที่ควรจะ ป, ปฏิบัติทำขั้นใด ท่านก็สอนเช่นคนยังไม่เคยรู้จักการทําบุญให้ทานซึ่งเป็นฐานแห่งความดีในเบื้องต้นท่านก็สอนให้รู้จักการทําบุญให้ทานรักษาศีล น, นี่นี่ก็เป็นความดีแต่ละอย่างอย่างซึ่งเป็นสารณะของใจด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นขั้นหนึ่งของสาระคือหลักใจที่พื้นของใจและสอนให้ยึดพระพุทธพุทโทรธธรรมโมสังโฆนี่ก็เป็นนามธรรมอันเลิศ ซึ่งเป็นหลักของใจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็เจริญจิตตภาวนาเห็นกำหนดพุโทโธเป็นต้นไห้ภายในจิตในขณะที่ภาวนาหรือจะไปไหนมาไหนให้จิตมีความระลึกรู้อยู่กับคําบริกรรมนั้นๆมีพุโทโธเป็นต้นก็ชื่อว่าจิตมีหลักยึดอยู่ตลอดไปตามขณะที่ตนระลึกได้หากว่าจะ าคาดเพื่อนไปบ้างเถอไปบ้างในบางการบางเวลาแต่ก็ยังทราบอยู่ว่าที่พึ่งของใจคือพุทโธเป็นต้นนผิดกันกับคนที่ไม่มีาศาสนาเลยไม่ทราบว่าจะอะไรเป็นที่ยึดเป็นหลักของใจจิตฟ้าอยู่ตามโลกตามนิสาลตามด้านประตูต่างๆกว้างแคบเพียงใรปิดกระจายไปหมดแต่หันตัวจริงไม่ได้มีผิดกันที่ตรงนี้ น, นี่การบําเพ็ญทางจิตใจที่เรียกว่ัชรณะเข้าไปโดยลำหนักในเบื้องต้นแล้วก็กําหนดภาวนาดังที่ว่านี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเผื่อใจก็ได้ยึดทำนั่งเป็นอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในขณะที่บําเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบพอใจสงบแล้วก็ปรากฏเห็นความแปลกประหลาดภายในใจของตนเองในขณะที่ใจสงบเพราะความสงบของใจ ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าใจหายยุ่งซึ่งเคยยุ่งมาแต่ก่อนด้วยอารมณ์ต่างๆในขณะนั้นไม่มีอารมณ์ออะไรเข้ามารบกวนใจเลยมีแต่ความสงบแน่วแน่แล้วปรากฏเป็นความสุขเย็นใจอ่อนโยนขึ้นพานในจิตใจของตนนี่เป็นเครื่องสะดุปใจอันหนึ่งที่จะให้พูดูได้รับผลจากการภาวนาของตนนั้นมีแก่ใจ มีความกระยิ่งมีความดุดดื่มในอันที่จะบำเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลำดับทังนี้ความภาคเพียนก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากไปเห็นผลเป็นสำคัญท้าก็ได้รับความสงบสุขเย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆต่างจากด้านวัตถุนะ แม่ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่ข้อตามกากับร่างกายจะไม่เป็นอันเดียวกันเลยในความรู้สึกเด่นชัดขึ้นโดยลาดับว่ากายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกายก็เป็นกายอยู่เช่นนี้แต่เป็นอาการพ้งกิจที่แสดงตัวขึ้นมาในทางที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขความไม่สงบของใจซึ่งเป็นความริ ป, ปริตผิด ปกติธรรมดาจนกระทั่งจิตกล้าก็สู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกำลังลบของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำลังลบได้ด้วยบทคำรืด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสงบ ส, สงบ ข, ขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้มี่ยอมเห็นได้ชัดนี่เป็นขั้นหนึ่งหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องศรัทธาของจิต คือจิตสร้างที่ขึ้นสำหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดจนอย่างนี้สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มส ต, ติกำลังความสามารถมาโดยลําดับเป็นสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อบำรุงรักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจําเป็นที่ท่านต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะหลีกเว้นกิจการงานนี้ไปไม่ได้มีเป็นความจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกาย นี่วความจำเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บำเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ใจก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลำดับดัๆจนกระทั่งสาระสำคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่า น, นั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี้จิตเป็นจิตนะเมื่อได้แยกถึงขนาดได้ทราบชัดว่าจิตเป็นจิตแล้วจิตต้องเด่นจิตต้องชัดเจนภายในตัวเองจากสิ่งทั้งหลายไม่เป็นอันเดียวกันนี่ เมื่อเราพยายามสร้างความสงบของจิตให้มากเพียงไรความแสดงออกของจิตในอาการต่างๆเราก็จะทราบไปในขณะเดียวกันว่าแสดงออกไปทางถูกหรือทางผิดถ้าเป็นทางผิดก็รีบแก้ไขทันทีถ้าเป็นทางถูกก็ส่งเสริมให้มีความเย็นขึ้นเ้ืยออุบายเช่นนั้นเช่นนั้นนี่คือการสร้างฐานของจิตการสร้างที่พื้นของจิต ด้วยอำนาจแห่งธรรมหรือด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมีที่จะภาวนาเป็นต้นสร้างโดยลําดับพิจารณาแยกแยะออ ก, กให้เห็นชัดเจนจิตมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความติดพันกับสิ่งใดพยายามแยกสิ่งนั้นกับจิตแยกจิตกับสิ่งนั้นเทียบเคียงกันให้ได้สัดได้ส่วนจนเป็นที่เข้าใจด้วยเหตุผลแล้วปล่อยวางกันเข้ามาเป็นลําดับ ยิ่งเป็นการสร้างจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงจากตัวเองขึ้นเป็นท่านชั้นนี่นีเป็นเป็นอย่างนี้การสร้างจิตแล้วสร้างเท่าไรสติปัญสร้างด้สติปัญญาสร้างมากเท่าไรสติปัญญายิ่งแตกฐานเฉลียวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของจิตที่แสดงออกจะไปหลงในแง่ใดมุมใดแม่ที่สุดความคิดความปรุงของตน หลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามต้นหรือแก้ไขความจมปมของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือสัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้หายไปโดยลำดับลาดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องกรานกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็ น, นชั้นชั้น นอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนรอบด้านเฉพาะอย่างยิ่งคือขันห้านะขันห้ามีอะไรขันห้านี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะตามหลักธรรมดาของสามัญทั่วไปแล้วขันห้ากับเปลามันเป็นอันเดียวกันขันห้ากับคนมันเป็นอันเดียวกันคนกับขันห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออก ใจกับขันธห้าจึงเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะไม่สนใจจะแยกเห็นอะไรที่ไม่สนใจจะแยกเพราะไม่รู้วิธีจะแยกวิธีจะแจกวิธีจะที่คลายสิ่งนี้ให้ทราบตามความเป็นจริงของมันเมื่อมีสติปัญญาขึ้นมาโดยลำดับตามครูอาตามอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและตามวิธีการของเราที่เคยบำเพ็ญมา เราก็มีทางทราบได้โดยลําดับนับเพราะฉะนั้นเรื่องขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาทังขานในอย่างนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลําพังของมันเองนอกจากเราไปยึดถือมันเท่านั้นให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่ ง, งเท่านั้นอันใดจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเช่นรูปประคันของดับ รูปขันแสดงอาการผิดริปริผิดธรรมดาไปอย่างไรเช่นเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ขึ้นมาเราก็ทราบว่ารูปขันอันนี้มีความผิดปกติจึงสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาจากความผิดปกติของอ น, นการสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของธาตของขันที่เขาแสดงตัวของเขาต่างหากเราเป็นแต่เพียงผู้รับทราบ ความผิดปกติของร่างกายและความแสดงขึ้นแห่งทุกขเวทนามากน้อยไม่หลงไหลไปตามอาการของมันที่แสดงขึ้นจะเป็นทุกขเวทนามากน้อยเพียงไรก็ทราบชัดป่า น, นั้นคือทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราน<ม>สัญญาจะสำคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกัน สุดท้ายสำขาญที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ไม่มีพิษมีสงฆัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีพิษมีสงฆ์เพราะสติปัญญาครอบหัวมันอยู่แล้วเนี่ยนี้วิญญาณก็เพียงรับทราบตัวนั้นมันก็ดับไปดับไปเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนี่ย สุดท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเลทนาทั้งสัญญาทั้งทังขานทั้งวิญญาณอันเป็นอาการทั้งห้านว่าเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเองแยกแยะ ก, กันได้โดยลำดับนี่คือการสร้างที่พึงสร้างหลักให้แก่จิตใจอันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงไรแทรกสิมอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมด โดยลำดับอลำดับตามอํนนานาจของสติปัญญาที่มีกําลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คลายในการแยกแย ก, แยกสุดท้ายก็กระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดที่จ ะ, ะแทรกถึงจิตใจได้แม้แต่จิตแท้เองซึ่งมีกิเลสอันสําคัญแทรกอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันห้าซึ่งเป็นของยำยาบเท่านี้แม้แต่จิตวิเรศที่ละเอียดที่สุดซึ่งไปนอนจมอยู่ภายในจิต ไม่อาจาที่จะมองเห็นตัวได้เลยปัญญาก็สามารถสอดแทรกแยกออกได้จนไม่มีอะไรเหลือกระจายออกไปตามธรรมชาติของมันสติปัญญากันกรองออกให้หมดเหลือแต่จิตที่หมดจดบริสุทธ์ล้วนวนั่นแหละคือที่พึ่งของใจอันเอกไม่มีอันใดที่จะเอกยิ่งไปกว่านี้แล้วเพราะพุทธเจ้าถึงทำขั้นเอกก็เพื่อถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ซัดฟอก สิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นมนติ์ทั้งหลายทั้งยากทั้งกลางทั้งเอียดออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือที่พึ่งอันเอกไม่มีที่พึ่งใดในโลกนี้จะเสมือเหมือนจิตที่ได้สร้างที่พึ่งให้ตนเองโดยหลักธรรมชาติไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นเป็นที่พอพอใจเป็นที่พอตัวนี่แหละคือเมืองพอเมื่อถึงเมืองพอนี่แล้วไม่ต้องพึ่งอะไร ส่วนธาตุขันธ์ก็พึ่งไปอาศัยกันไปตามการตามเวลาทั้งๆ ท, ที่เราก็ทราบได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาของเราว่าอาศัยกันไปตามการตาเวลาเท่านั้นเท่านั้นส่วนความดีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรตั้งแต่การให้ทานารักษาศีลเจริญภาวนา ม, มารวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมลทินที่เรียกว่าบาป ท, ทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้น สุดท้ายก็เหลือแต่ความรู้สึกด้วนรั้น่ะคําว่าบุญก็หมดปัญหาไปจร่งคาว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางที่ดีและจากคำว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทาง ท, ที่ที่ต่างในทางที่ไม่ดีจิตหมูงตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมชาติที่กางเรียกว่ามัชจิมาในหลักธรรมชาติ อันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชิ ม, มาปฏิปทาที่เป็นทางดําเยนยนี่สุดท้ายก็ปฏิวทาอันเป็นตัวเหตุมีสมา ธ, ธิเป็นต้นก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นมัชชิมาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี่คือที่ขึ้นอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมีศาสนาเป็นหลักอันใดภายในจิตใจ เพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนากับคนไม่นันบถือศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมจึงมีความผิดกันอยู่มากมายและได้เปรียบกันดังที่กล่าวมาฉันขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาที่เป็นลกิษย์ทั้งหลายได้นำปัญญานิพิจารณาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคําว่าที่ขึ้น ไม่ว่าจะขั้นใดก็าตามอันเกิดจากคุณงามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรพันส่วนไปได้เป็นข้อตามตายก็าตามความดีอันนี้แหลจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามการแสดงธรรมก็เห็นเาราสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้ <c oughs>